จัดเข้ากองอาบัตเท่าไรตอบอาบัตเพราะการเสพเมทุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตสี่กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตทุลจัย 3. กองอาบัตปาจิตตีี 4. กองอาบัตทุกกฎและ เจ็ดเสขียกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในเสขียกันละเจ็ดปาทุกกวัตละสิกขาบทที่สิบห้าถาม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 สังคหิตะวาระที่สจบ